เจริญพรตอนบ่ายอเจริญพรตอนบ่ายดูข่านอีกครั้งหนึง่งเมื่อเช้าเราได้คุยกันเรื่องของความคิดที่มันเผื่อคิดที่มันรักคิดที่มันคิดออกไปเองใช่ไห ม, มมีใครสังเกตไหมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างก็คือมันเกิดขึ้นเองเนาะส่วนหนึ่ง มีใครสังเกตไหมว่าในขณะที่ตาเห็นมันก็คิดหูได้ยินมันก็คิดไปสังเกตนะไปสัง เ, เกตเนาะตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นนั่นแปลว่าการทํางานทางอายตนะเข้าใจคําว่าอายตนะไหมมีโยมคนนึงเขาเคยมาถามอาจารย์อาจารย์อายตนมันหมายถึงอะไรอะไรนะอายตน แล้วก็มองออยตนในเขียนให้ดูหน่อยสิเขาเขียนอ้ออ่างสะอายอยักโตเต่านอนหูอ๋อเขาอ่านว่าอายันะอ๋อเหรอยมอ่านว่าอายตนเขาเพิ่งเข้ามาปฏิจจพัมใหม่ๆแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องศัพท์แสงทางภาษาเลย ตัวลงที่ถามเนี่ยคือเข้าใจไหมเพราะกลัวว่าจะเป็นไอตนแบบายตนรู้ใช่ไหมว่าไอจตนะหมายถึงอะไรแบ่งเป็นกี่หมวดแบ่งเป็นสองหมวดนะหมวดภายนอกกับหมวดภายในใช่ไหมไอจตนะแบ่งเป็นสองหมวดคือหมวดภายนอกกับหมวดภายในเนาะภายนอกก็คือสิ่งที่มากระทบ ภายใคือสิ่งที่ตั้งรับเข้าใจไหรูปเป็นของภายนอกไหมเสียงเป็นของภายนอกไหมกลิ่นเป็นของภายนอกไหมรสเป็นของภายนอกไหมพอธัพพะเป็นของภายนอกไหมธรรมารมมา <c oughs> ธรรมารมมนเกิดในใจใช่ไหมเออแต่ มันเป็นสิ่งที่มากระทบเข้าใจอยังไงเนี้น่ยส่วนอวัยวะภายในคือตัวตั้งรับตาตั้งรับรูปหูตั้งรับเสียงจมูกตั้งรับกลิ่นลิ้นตั้งรับรสกายตั้งรับโปุถะภะใจตั้งรับกับธรรมาลมนะจะได้ไม่งงว่าเอ๊ะภายนอกแล้วก็ธรรมอารมณ์ มันเกิดในใจทำไมเป็นภายนอกได้ก็คือมันเป็นตัวหมักกระทบก็จะยอย่างนี้จะได้ไม่งงเรากดดานขึ้นมากระดาษากระดากระด า, ะดาวางแนวขวางวางแนวขวางเห็นยังเห็นยังปากกามียังปากกา ซ้ายสุดเราเขียนจากนี้มานี้ใช่ไหมซ้ายสุดให้เขียนรูปเสียงกลิ่นรถโรพชภะธรรมลม รูปเสียงกลิ่รนรสโพทพะธรรมลมเสียงรูปเสียงกลิ่นรสจ า, นนานไม่เจอกันนานเลย ใช่ไม่เจอกันนานเลยอ่ะพทพภะสละโอผอพึ่งถภาสะโอผพึ่งถวสันธาไม่แน่าจพอพานสองตัวแล้วก็สละพพถภาพลถพะสละโอผอพึ่ง ถอสันฐานมหบรากาศแล้วก็พอพานสองตัวแล้วก็สระหะเขียนถูกไหมจ้ะเอาเอาเป็นว่าอ่านออกว่าใช่ก็ใช่นะ <c oughs> เอาเป็นที่รู้กันของคัเองเลยอ่ะ <c oughs> มันเป็นแค่ภาษาสมมุตินะภาษ า, าเขียนนะมัน เขาเรียกว่าเอาเสียงไปเป็นตัวหนังสือมันมีเมื่อก่อนสมัยโบราณเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องมหศัศจรรย์มากที่ที่เขียนเสียงได้เข้าใจไหมเขียนเสียงได้ <c oughs> <c oughs> เพรา ะ, ะนั้นถ้าชาติใดมีเขียนเสียงได้เองนั่นบ่งบอกถึงอารยธรรม <c oughs> ขั้นสูง นี่แหละตัวอักษรนี่แหละเขาเรียกว่าเขียนเสียงทำเสียงที่พูดออกมาให้มันกลายเป็นตัวหนังสือได้เข้าใจป่ะเขาเรียกเขียนเสียงไม่ใช่ตัวโน้ตเพลงอะไรหรอก mm hmm. อะเขียนเสร็จยัง mm hmm. ถัดมาหนึ่งนิ้ว mm hmm. เขียนตาหูจมูกลิ้นกายใจ mm hmm. เขียนให้มันตรงกัน ถัดมาหนึ่งนิ้วถัดมาหนึ่งนิ้วขยับมา อ, อ่าอะนะหนึ่งนิ้วพอเขียนให้มันตรงกันตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันตรงกันแถวหน้าเลยนะอือเป็นคู่กัน ยังเสร็จยังเสร็จแล้วคราวนี้ลากลูกสอนรูปไปหาตาเสียงไปหาหูกลิ่นไปหาจมูกที่เหลือคิดเอาเองโอ้โหตห้บอกเลยเหรอ โอเคนะลากไปหมดแล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้เธอปออกมาหน่อยนึงประมาณสักหนึ่งนิ้วกะประมาณกลางกลางของแถวพวกนั้นน่ะกลางกลางของแถวพวกนั้นน่ะกะลงไปประมาณกลางเออแล้วเขียนวงกลมเล็กเลกสักวงกลมหนึ่ง ไม่ไมเออตรงนั้นเออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละเขียนวงกลมเล็กๆสักวงหนึ่งนั่นแหละเขียนว่าความคิด อ, อือเขียนวงกลมเล็กๆวงเดียวอ่าเขียนว่าความคิ ด, เ, ออ เ, ขคคดเขียนยังจากนั้นลากลูกศรจากทุกแถวนั่นนะ่ะเข้าไปหาความคิด เห็นไหมเป็นอย่างเห็นีนีจะลากลูกศรแบบตรงแบบโคง้งแบบสไลด์แบบหยักแบบอะไรก็แล้วแต่คุณนะทาให้ทำให้มันรู้เรื่องคุณกันแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ออาเมื่อลากอย่างนี้แล้วเข้าใจว่ายังไง <c oughs> ทุกอย่างมันรวมลงที่ ควาิดจริงไหมตาเห็นรูปเกิดความคิดไหมหูได้ยินเสียงเกิดความคิดไหมจมูกได้กลิ่นเกิดความคิดไหมเห็นนะลถกระทบลิ้นเกิดความคิดไหมโพธิภพกระทบกายเกิดความคิดไหมใจกระทบกับธรรมารมเกิดความคิดไหมเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นคําตอบที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามโนปุพังข้ามาธรรมา มโนเศรษฐามโนโมายาทาทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นผู้นำสําเร็จแล้วที่ใจประเสริฐแล้วที่ใจนั่นหมายถึงว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ใจทาทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นติดใจใจนั้นเราไม่มีมันไม่เห็นรูปร่างไนงะจิตไม่มีรูปร่างตัวตนแต่จิตแสดงอาการออกมาในรูปของความคิดกระจายอย่างนี้ เมื่อจิตแสดงออกมารูปความคิดมันเป็นผลจากการที่เกิดการกระทบทางอายตนะถูกไหมที่อาจารย์ถึงถามว่าตอนที่เรานั่งยกมือสร้างจังหวะมีความเผลอคิดเกิดขึ้นไหมแล้วถามว่าแล้วเรงความเผลอคิดเกิดขึ้น่ะมีไหมที่มันเกิดจากการตาเห็นรูปมันก็เผลอคิดขึ้นมาจมูกได้กลิ่นมันก็เผลอคิดขึ้นมามีไห ม, ม, มเออทา่านี้ทำ วงกลมใหญ่ๆสักวงหนึ่งเหมือนนาฬิกาดูไหนนาฬิกานั่นนาฬิกากลมๆเนี่ยห่าใหญ่ๆนะเออทาวงกลมใหญ่ๆสักวงหนึ่งอ่ะฮะห่างออกมาอีกประมาณสักสองสามนิ้วก็ได้อ่ะอือจากนั้น <c oughs> แบ่งเป็นช่องให้ได้สิบสองช่องแบบนาฬิกาคใครท ำ, ทำนาฬิกาขึ้นมา นะเราจะได้มีนาฬิกาของตัวเองไม่ต้องไปหายืมเพื่อนไ ม, ไม่ต้องไปลอกเพื่อนด้วยทำนาฬิกาเองเข้าใจไหมสิบสองนะช่องนะให้ได้สิบสองช่องนะ ใส่เลขหนึ่งถึงเลขสิบสองใส่เลขหนึ่งถึงเลขสิบสองนะเหมือนนาฬิกานั่นแหละ <c oughs> คือไอวงกลมใหญ่เนี่ยจะเป็นรูปนาฬิกาเนี่ย มันเป็นส่วนขยายของไอ้ความคิดอ่ะเพราะฉะนั้นให้ลากลูกศรแบบปะปะปะปะปะปะไปที่วงกลมใหญ่ไปที่นาฬิกาเออจากความคิดอ่ะลากจากความคิดไปปะปะปะปะปะไปไปใส่ที่นาฬิกาเพื่อจะบอกให้รู้ว่าไอ้นาฬิกาเนี่ยคือส่วนขยายของความคิดโอเคไหม อ้าวสวยนะไปสอนอยู่ที่หนึ่งโยมคนหนึ่งแกมาช้าว่ะเพื่อนแกมัวไปคุยโท ร, รศัพท์แกอยู่กกรีบกข้มานะมันนั่งลงปู๊เห็นเพื่อนเขาเขียนแกก็ลอกเพื่อนใหญ่เลยแต่ดันไปลอกคนทำผิดไอ้นั่นเขียนวงผิดแล้วผิดอีกจูดีวง อันนี้ก็ไปเขียนวงตามเขาสี่วงอาจารย์หันไม่เห็นโมดีเฮ้ยไปลอกทำไมอันเนี้ยมันทำผิดเอาเหรอเนี่ยเขาเรียกว่ารีบรลอกจนไม่รู้ว่าเนี่ยตกเพราะเพื่อนเนี่ยเขาใจยังเข้าใจคำว่าสอบตกเพราะเพื่อนไหมไปวาดเหมือนเขาเลยอ่ะทีนี้เขียนไปที่หนึ่งนาฬิกาหายเลขหนึ่ง อวิชชาไปที่สองนาฬิกาสังขารจะเขียนข้างในและจะเขียนข้างนอกแต่ขอให้เข้าใจว่าตัวเองรู้เรื่องกันแล้วกันนะไม่ว่ากันไปที่สามนาฬิกา วิญญาณไปที่สี่นาฬิกานำรูปไปที่ห้านาฬิกาสลายตะนะ ส, สอเสือรอจุลาสละอา ยอยักษ์ต่อต่ อ, ต อ, นอนหนูสลายตนสลายยตนะหรืออยตนะหกนะวงเล็บไปด้วยก็ได้ว่าอยตนะหกไปที่ไหนละหกนาฬิกา ผัสสะเจ็ดนาฬิกาเวทานาแปดนาฬิกาตันหาเก้านาฬิกาอุปาทาน สิบนาฬิกาพบพอสัมเภาพอผ่านนะอ่าน่าพบภาวะสิบเอ็ดนาฬิกาชาติจะชาติหรือชาตะก็ได้หมดมันแปลว่าเกิด สิบสองนาฬิกาทุกสั้นสั้นทุกจริงจริงมันคือชาลามารณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมมนัสอุปายาซาปิทุกขายาวไป <c oughs> เขียนคำว่าทุกคำเดียวก็พอโอเคไหมอืมอ่ะเรามาดูกันต่อ สังเกตดูไหมว่าไอานาฬิกามันคล้ายๆเรื่องอะไรฮะอ่าปฏิจจสมบบาทเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุบาทจึงเป็นส่วนขยายของคำว่าความคิดเห็นยังเพราะว่าอะไรอาจารย์ให้คุณเขียนลูกศรประประไปใช่ไหมเออเป็นแบบซูมซูมไปที่ความคิด <c oughs> เพราะฉะนั้นใครซูมเล็กก็ ช่วยไม่ได้ใครซูมใหญ่ก็จะเห็นชัดเท่านั้นเองเรามาดูกันพวกเราเคยเป็นไหมเวลามีใครเวลามีใครที่เราไม่ชอบ ปรากฏหน้าให้เราเห็นเราไม่ชอบอ่ะไม่ชอบหน้ามันหรือเราเคยเทะเลาะกับมันมาผ่านไปสักเดือนหนึ่งเราก็ไม่เห็นหน้ามันเลยแล้วก็ไม่ได้พบปาพูดคุยกับมันเลยผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วยู่ๆมันก็มาเจอกันเมื่อตาเราเห็นไอ้เจ้าคนนั้นที่เราไม่ชอบ คุณคิดว่าเห็นแล้วสักแต่ว่าไหมอ่มาดจกคจะสักหน้ามึงนี่แหละ <laughs> ไม่มีสักแต่ว่าอยากจะสักหน้ามึงเลยเกิน <laughs> ใช่หรือไม่เ <laughs> พราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอตาเราเห็นหน้าเจ้าคนนั้นปั๊บเห็นป่ะรูปกระทบตาเราใช่หรือไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น ปรุงแต่งความคิดขึ้นทันทีเลยใช่หรือไม่เห็นหน้าปั๊บพอตาเราเห็นหน้าเจ้าคนนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องราวเรื่องราวที่เคยทะเลาะกันเรื่องราวที่เคยไม่พอใจมันเรื่องราวที่มันเคยทำกับเราจะพลั้งพลูออกมาทันทีใช่หรือไม่นั่นคือเมื่อตากระทบรูปปุ๊บใช่หรือไม่ มารูปนั้นมากระทบตามันลงมาที่ใจสู่กระบวนการปรุงแต่งความคิดขึ้นใช่ไห ม, มนั้นเกิดจากอะไรนั่นเกิดจากพุบไปที่นาฬิกาพอตาเห็นปับ๊บรูปกระทบตาปับ๊บหนึ่งนาฬิกาทำงานทันทีความไม่รู้คืออวิชชาความไม่มีสตินั่นเองเข้าใจอยังไงเนี่ยจึงนําพาสู่การปรุงแต่งสังขารเกิดขึ้นเลย เห็นไหอถามว่าทั้งหมดเนี่ยแล้วมันมีวิญญาณเนี่ยวิญญาณทำมาทุกกระบวนการที่เกิดขึ้นวิญญาณมันรับรู้หมดรูปมากระทบตาก็เกิดวิญญาณเข้าใจไหมเป็นวิญญาณทางตาเกิดผัสสะขึ้นก็เรียกาผัสสะเป็นวิญญาณภัสสะทางตาเกิดกระบวนการคิดขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นวิญญาณมันก็ทาหน้าที่เข้ามันอยู่แล้ว เข้าใจไหมแต่ตัวสําคัญคือตัวสิทธีนาฬิกานามารูปนา ม, มารูปตัวนี้ไม่ใช่รูปนามแต่นา ม, มารูปตัวนี้คือรูปที่นามมันสร้างขึ้นก็คือความคิดนั่นเองสิ่งที่นามมันสร้างขึ้นในใจเราเพราะฉะนั้นถามว่า พอมันกระทบตามันกระทบอะ่ะรูปกระทบตาปับ๊บแล้วมันเกิดความคิดขึ้นน่ะข้ใหญความคิดนั่นแหละคือสังขารผลการคือความคิดนั่นน่ะมันเป็นกระบวนการสังขารแต่ผลผลิตของสังขารมันก็คือนามารูปเพราะจะเห็นล่พอเราเกิดความคิดขึ้นปุ๊บมันจะมีเรื่องราวต่างๆเกิด ข, ขึ้นในใจเราเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่เลยไม่เป็นหนังเลยอะ่ะเข้าใจความหมายไหม เออเสร็จแล้วพอมาเกิดนามมารูปตัวเนี้ยนามมารูปไม่ใช่รูปนามเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าคุณไปอธิบายว่านามารูปเป็นรูปนามเมื่อไหร่ปับ๊บมันจะไม่โยงกับการดับทุกข์ที่นี่เดี๋ยวนี้มันจะไม่ใช่การเกิดขึ้นแบบสายฟ้าแลบแต่ถ้าคุณบอกว่าแต่สิ่งสิ่งที่อาจารย์กำลังบอกคุณเนี่ยคือ นา ม, มารูปมันไม่ใช่รูปนามเนี่ยมันคือความคิดที่ปรากฏขึ้นนั่นแหละนะมันจะพาคนไปสูขข่การดับทุกข์ในปัจจุบันขณะนั้นทันทีเพราะเมื่อความคิดนี้เกิดขึ้นปับ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือนา ม, มารูปมันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจใช่หรือไม่เมื่อมันเกิดขึ้นที่ใจมันก็กระทบที่ไหนเพราะฉะัภาษตอนนั้นคือภาษาที่ไหน มันคือมโนผัสสะ เ, เนีหมจึงบอกว่านามารูปก็ เ, เป็นสลายยตนะก่อนสิทำไมมันถึงเป็นสลายยตนะทำไ ม, มถึงเป็นอายาอยตนะหเพราะว่าสิ่งที่มันสร้างขึ้นเนี่ยมันคือรูปเสียงกลิ่นรสพุภทธภพและตัวมันเองก็เป็นธรมรมมาลมเพราะมันถูกสร้างขึ้นในใจ มันไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าใจความหมายไหมไม่เข้าใจทำไมถึงไม่เข้าใจคิดไม่ทัน <laughs> พอตากระทบรูปเหมือนเมื่อกี้อาจารย์เล่าว่ามีคนที่เราไม่ชอบลเราเคยโกรธกับมันมาเดินผ่านมาทางแล้วตาเราเห็นมันจบแค่นั้นไหมไม่จบมันกลับมีกระบวนการ ปรุงแต่งความคิดขึ้นในใจเราใช่ไหมแล้วถามว่าขณนาดที่มันปรุงแต่งความคิดมันโกรธไหมเราโกรธไอ้คนนั้นใช่ไหมไม่เราโกรธไอ้เรื่องราวนี้ต่างหากที่มันทําให้เราโกรธเพราะไอ้คนนั้นมันไม่ได้ทาําอะไรเราเลยเราแค่เห็นมันผ่านทางตามันยังไม่ได้ทาําอะไรกับเราเลยคุณเข้าใจความหมายไหมแต่ที่มันปรุงจนฟุดฟัดฟุดฟัดฟุดฟัดเนี่ย มันคือเอาเรื่องราวเก่าๆที่เคยโกรธกันเคยทะเลาะ ก, กันเคยไม่พอใจกันต่างหากที่มาปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นในใจเราใช่หรือไม่จึงนำพาให้เราสู่ความโกรธใช่ไหมเพราะในปัจจุบันนี้ไอ้คนนั้นมันทำอะไรเราไหมมันแค่เดินผ่านมาให้เราเห็นเฉยๆเข้าใจความหมายไหมล่ะแต่ทำไมเราโกรธคุณสังเกตดูสิเวลาคุณโกรธอะ่ะคุณอยู่กับความคิดไหมคิดเรื่องอะไรอคิดเรื่องอะไรคนที่มันทำให้เราโกรธนั่นแหละใช่หรือไม่ ไม่ต้องแค่ตาก็ได้ได้ยินเสียงมันก็ได้ใช่หรือไม่ไอ้คนที่เราไม่พอใจเนี่ยอยู่ๆเสียงมันลอยมาปุ๊บสัญญาเข้ามาทํางานเสียงไอ้นี่มันจบแค่เสียงไอ้นี่ไหมกระบวนการต่อจากนั้นคือมันก็จะสร้างเรื่องสร้างเราว่าไอ้นี่เคยทําอะไรกับเรายังไงยังไอย่างไรเจ้ า, อ า, อจาของเสียงเนี้ยภาพเรื่องราวเก่าๆนั้นก็จะปรากฏขึ้นใช่หรือไม่ ไ ม, ไม่ต้องเสียงก็ได้จำได้ว่ามันใส่น้ำหอมกลิ่นอะไรไม่ต้องเป็นมันก็ได้แค่มีกิเอาจริงปะจริงปะถ้าสมมติว่าไอ้นี่มันใส่น้ำหอมกลิ่นเนี้ยแล้วเผอิญไม่ใช่ไอ้นี่หรอกใครก็ไม่รู้ผ่านมาแล้วกลิ่นมันโชยมาปั๊บมันขุ่นขึ้นทันทีเข้าใจปะเพราะนี่กลิ่นของไอ้นั่นนี่นั่นเอาละ ใช่ไม่ใช่แล้วมันก็เริ่มปรุงไปสู่เรื่องราวเก่าๆที่เคยทะเลาะบ่แวงกันอีกจริงไหมจริงอืมไอ้ที่มันปรุงขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่ า, วานา ม, มารูปอืมโอเคไหมเออเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้นา ม, มารูปตัวเนี้ยมันเป็นได้ทั้งรูปเสียงกลิ่นรสได้ไหมั้ยไหม คิดถึงไก่ย่างดิคิดออกไหมเห็นภาพไก่ย่างขึ้นไหมคิดถึงกลิ่นมันสิคิดถึงเสียงเวลาเคี่ยวดิคิดถึงรสมันสิคิดถึงผงตะเพราเวลามันเข้าปากเราดิคิดออกไหมได้ไหมฝน ใจของเราสามารถสร้างรูปเสียงกลิ่นรดผลภัณฑและทำมารมณ์ขึ้นมาออกรังได้ไหมใน ใ, นใจเรานั่นแหละจึงเรียกมันว่าเป็นสลายตนหะในช่องที่5เขาจะยังนำ ม, มารูปเป็นเหตุปัจจัยให้เป็นสลายตนะและเมื่อมันเป็นนี้มันก็กระทบที่ไหนมันเกิดขึ้นที่ใจมันก็กระทบที่ เพราะมันจึงเป็นมโนผัสสะในช่องที่6กผัสสะนี้จึงเป็นมโนผัสสะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเป็นมโนผัสสะขึ้นในใจนั้นคุณคิดว่าความรู้สึกคือเวทนานั้นมันจะเป็นเวทนาที่ไหนก็<ม>เป็นเวทนาที่ใจเข้าใจ ว, ว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเวทนาที่ใจเกิดขึ้นความรู้สึกนั้นขึ้นมันนําพาสู่การตัณหาไหมแล้วตัณหาเกิดขึ้ น, นที่ไหน ที่ใจแล้วจากนั้นพอตันหาเกิดขึ้นก็เกิดอุปท า, านอุปท า, านเกิดขึ้นที่ไหนที่ใจเฉะนั้นภาวะการกอกล่างขึ้นมาที่จะเป็นทุกข์ชัดเจนเลยพบนั้นก็คือที่ไหนที่ใจบาัญชาติชรามาราณะโสกกาบปริเทวะทุกข์ชัดเลยทั้งหมดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจชั่วขณะเดียว ทำงานช่วสายฟ้าแลบนั่นแหละทัานปฏิจจสมบบาทที่อาจารย์พูดถึงเนี้ยจึงเป็นวงจรที่เกิดชั่วชั่วขณะแบบฟึดเดียวอะเข้าใจปะออไปดูเรื่องซีรีส์พระพุทธเจ้าไหมที่ตอนที่ตอนตอนพระพุทธเจ้ากลับมากรุงับลพาธอะพระเจ้าสุโธธนะอยากเจอลูกชายมาก ช น, นะช น, นะชนะพาเราไปหาสิทธาฯรอลูกชายมาที่วังไ ม, ไม่มาสทัทีนั่งรถม้าไปเลยไปในเมืองเข้าไปในท่ากลางชุมชนช น, นะไหนสิทธถะลูกเราอยู่ไหนสิทธถะลูกเราอยู่ไหนช น, นะเขาบอกนั่นไงพระเจ้าค่ะนั่นไง พระ อ, องค์กำลังรับบาทรับอาหารบิณฑบาตจากหญิงชร า, าแก่ๆคนนั้นไงพระเจ้าสุตทนะมองตามมือเขาชันนับไปภาพที่เห็นคือนักบวดรูปหนึ่งใช่หรือไม่กำลังยื่นบาทออกไปรับเอามันมันต้มหัวหนึ่ง จากหญิงชร า, าบ้านจนๆจนจนแก่ๆคนหนึ่งใส่ลงในบาตพระเจ้าสุโธทนะช็อกชั่วขณะแล้วก็เลยเดินเข้าไปหาลูกชายในซีรีสเนาะพระเบญจาก็ยืนบาตรใพระอุปถากพระเจ้าสุโธทนะก็เดินเข้าไปหาสิตา ธ, ธา ทำไมเจ้าทำเรื่องหน้าอับอายเช่นนี้ทําไมเจ้าทําเรื่องหน้าอับอายเช่นนี้นี่เหกปีที่เจ้าจากพวกเราไปสิ่งที่เจ้าได้มาเนี่ยนะคือการมาเป็นขอทานเนี่ยนะแล้วยังมาขอทานใน ในเมืองของตัวเองที่ตัวเองถามเจ้าสามารถจะหยิบฉวยเอาอะไรก็ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเข้าใจความหมายไหมเจ้ากับมักขอทานกับหญิงชรากแก่กับกับอาหารที่มันมันไม่เป็นปนีละเจ้ากับมักมักถือมักขอทานกับคนเหล่าเนี้ยคนในอาณาจักรของเจ้าที่เจ้าจะชี้เป็นชี้ตายก็ได้เนี่ย กลับมาขอสิ่งที่เจ้าสามารถจะหยิบเอาอะไรก็ได้ในอาณาจักรนี้โดยไม่ต้องขอใครก็ได้เนี่ยเจ้ากำลังทําในสิ่งที่น่าอับอายเหลือเกินก็เดินคุยมาเจ้าคือเจ้าชายผู้สูงศักดิ์เจ้าคือนักรบผู้เก่งกาจเจ้าคือนั่นเจ้าคือนี่เจ้าคือเจ้าคือเจ้าคือเจ้าคือเจ้าคือปรากฏว่าพระพุทธเจ้าจับมือพ่อ กระตุกพระบิดาข้าอยู่นี่ข้าอยู่ที่นี่แต่ท่านกลับไม่เห็นข้าเลยท่านเห็นแต่ความคิดของท่านเข้าใจความหมายมั้มท่านเห็นแต่ความคิดของท่านข้าอยู่นี่เข้าใจบทนี้ไหม ทีอาจารย์พูดขึ้นมาเนี่ยคุณคิดดูเลยลูกอยู่ข้างหน้าแท้ๆอยู่ข้างๆเนี่ยไม่เห็นเพราะสิ่งที่เขาเห็นคือเห็นความคิดตัวเองที่มันบังทุกอย่างนำมารูปที่สร้างขึ้นมาทั้งหมดเป็นเจ้าชายผู้สูงสักเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่เป็นความหวังของตระกูล ภาพเก่าๆทั้งนั้นที่ประเดประดังเข้ามาที่ปรุงแต่งที่เจ้าที่พระเจ้าสุโธธนะปรุงแต่งไปแล้วจนเกิดความโกรธความไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้พอเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งทึ่เองวาดหวังสิ่งที่เองต้องการเข้าใจปะ พระเจ้าสุตโตสนปรารถนาที่สุดก็คือการเห็นลูกชายได้ขึ้นของราชตัวเองได้สวมมงกุฎให้กับลูกชายตัวเองลูกชายตัวเองจะได้สร้างอาณาจักรสร้างตระกูลตัวเองให้ยิ่งใหญ่นั่นคือภาพที่มันมีอยู่ในใจตลอดเวลาแต่พอมาเห็นภาพลูกชายทำตัวดังขอทานเข้าใจไหมขออาหารจากหญิงชราแก่ๆจนจน ในอาณาจักรของตัวเองภาพสองภาพนี่มันต่างกันเลยเกินถามว่าพระเจ้าสุตตสนอยากเห็นภาพไหน <c oughs> แกก็อยากเห็นภาพนั้นลนะแกก็จมอยู่กับภาพนั้นนะ่ะแล้วแกก็บนโน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนพระเจ้าบอกพระบิดาข้าอยู่ตรงเนี้ยแต่ท่านกลับไม่เห็นข้าเลย ท่านกลับเห็นแต่ความคิดของท่านถามว่าพวกเราเคยเป็นแบบนี้ไหมยอยู่กับใครบางคนข้างหน้าเนี่ยแต่เรากลับไม่รู้จักเขาเลยเรากลับไม่อยู่กับเขาจริงๆเรากลับอยู่กับอดีตอดีตเขาเป็นอย่างนี้อดีตเขาเป็นอย่างนี้มันเคยเป็นอย่างนี้ผังเคยเป็นใช่หรือไม่ เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบนันนา ม, มารูปมันบังเราหมดเข้าใจความหมายไหมนี่การพูดอยู่เนี่ยว่ามันคือนา ม, มารูปบังอยู่มันมันเคยเป็นไหมเคยเป็นกับเพื่อนไหม เขาเป็นการลูกไหมเยอะใช่ <laughs> ใชหมพ่อแม่เนี่ยใครมีลูกเนี่ยมักจะเป็นอันนีน้นหะเยอะเพราะปรารถนาอยากให้ลูกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฮะพอลูกไม่ได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เนาะนํามารูปนั้นมันก็ทําให้เราต้องเป็นทุกข์แต่เราไม่ได้ดูกับปัจจุบันที่เขากําลังดังจริงๆ กับเพื่อนหลายๆคนเราก็เป็นกับผู้ร่วมงานหลายๆายคนเราก็เป็นนี่แหละเราถูกสิ่งนี้แหละมันบังเข้าใจไหมมันบังไม่พอมันยังลากเราไปเป็นทุกข์ได้ด้วยอืม เข้าใจความหมายไห ม, ม, ม, ม, มาการอยู่กับตัวเองใช่ไหมคะเราก็ อ, อยู่กับตัวเองดีอยู่กับตัวเองนถูกต้องไม่ใช่กับผู้อื่นหรอกมากที่สุดเราเราเนี่ยแหละเราอยู่กับภาพความคิดของเราเราอยู่กับความคิดอ่ะเธอรีไมมมันโนไปเองบ้าง <c oughs> นั่นน่ะ <c oughs> <c oughs> ภาษาไปเรื่อยๆมโนมโนนั่นแหละและนำมารูปนี่ยหละมโนมโนเองเปล่าเนี่ย อ, อย่างมีนักทินิสที่ชื่อโมนิกาเซเลสระหว่างการแข่งขันในเกมหนึง่งเธอถูกมีดแทงข้างหลังมีคนวิ่งลงมาจากอาจรรพ์นนะ่ะ เรามีดมาแทงเธอที่ข้างหลังอ่ะครเคยดนข่าวนี้ไห ม, มบางคนพยักหน้าบางคนสันหน้าฉันได้ยินสัวันนี้ <c oughs> <c oughs> เจอมีดแทงข้างหลังเธอต้องหยุดการแข่งขันเพื่อรักษาแผลหายแผลภายนอกแต่แผลภายในใจไม่หายเธอไม่อาจจะแข่งเทนนิสได้อีก เธอไม่อาจจะออกจากบ้านได้ทำไมเหรอมีดใบปาดเส้นเอ็นใหญ่จนเธอต้ขยับตัวไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ทุกครั้งที่เธอรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรขยับข้างๆเธอแล้วตาตามันเห็นอะไรปุ๊บเข้าใจไหมหรือมีความรู้สึกว่ามีอะไรวุบไวป บ, บไหวอยู่ข้างหลังเธอปุ๊บเนี่ยเธอจะช็อก ทำไมเธอถึงชอ็อกก็นามาลูบเหตุการณ์แล้วมันจะพรึบขึ้นทันทีเข้าใจยังไงเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นในข่าวนู้นมันจะพรึบขึ้นมาโดยแบบรวดเร็วมากพอตามันเห็นเข้าใจบ้าตาไปเห็นมีอะไรไหวๆปับเข้าใจยังโยงมาดูสิปรึบมาที่ความคิดความคิดนั่ขึ้นนํารุกที่ปรากฏพรึบขึ้นมาพับมันลากไปเป็นทุกข์ทันทีเข้าใจยังไงเนี่ยชอ็อก เนี่ยคิดภาพออกไหมป้าหลวงพี่ตุย้ยถูกคนร้ายทำร้ า, ายปล้นเอาไม้ตีไายถอยผู้หญิงแกๆ่ๆ้อมพอมผู้หญิงแก่ๆ้อมๆอยู่คนเดียวที่บ้าน เขาที่บ้านเถิงเขาเป็นผู้หญิงใจดีที่ใครผ่านมาผ่านไปจะขึ้นไปหาเห็ดหาของป่าก็สามารถแวะกินนะ้ําแวะพักเหนื่อยออกจากป่ามามากินนะ้ำมาพักเหนื่อยที่บ้านหลังนี้ได้เพราะนั้นแปลว่าบ้านหลังนี้เป็นที่ผ่านไปผ่านมาของคนแบบไม่ไม่ไม่เคยลังเกียจเดียดฉันไม่เคยแบ่งชั้นวรรณะเข้าใจปะเป็นที่พึ่งที่พักของทุกคนได้ เพราะแกจะเป็นคนที่แบบมีคนรักเยอะมากแกไม่เคยคิดว่าจะมีใครทำร้ายแกวันหนึ่งมีคนวัยรุ่นเดินออกจากป่ามาแล้วก็มาขอกินน้ำแกก็ให้กินแกก็นั่งทำงานของแกต่อไปอยู่ๆมันก็เข้ามาข้างหลังแล้วก็เอาไม้ฟาดไปที่ท้ายถอยแกสามที ภาพเกิดขึ้นในใจเราไหมมีภาพเกิดขึ้นไหมเกิดไหมเรารู้จักป้าพี่ตุ้ยเหรอเรารู้หรือป้าพี่ตุ้ยหน้าตาเป็นไงเรารู้หรือไอ้คนนั้นรูปร่างเป็นยังไงเราเห็นเหตุการณ์นั้นไหมแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในใจเราเมื่อกี้มันเอามาจากไหนละครก็มีหนังก็มี ภาพข่าวเขามีใช่หรยอไม่ <S <S มันลากเขามาไยมันเอามาปรงุงเขยันขึเนนี่แหละเขาเรียกว่ามันเอามาปรุงแต่งกันจนก่อเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นในใจเราเมื่อกี้เ้วนำ ม, มารู้เรารู้สึกสยองไหมตอนอาจารย์พูดโดนฟาท้าทยถอยปักปักปักรู้สึกเจ็บเสียวหวาดกลัวตามภาพไหมเราถูกตีเหรอ <S 2> <S 2> <S เห็นหรอยังความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ไหมมันสร้างในมแหละนั่นแหละนามาลูกเขาจะอย่าง น, นี้ <c oughs> <c oughs> แล้วมันก็ลากแกไปทิง้ง <c oughs> มันก็มือจับมือขวาของมันจับมือหญิงแก่ๆคนหนึ่งลากไปกับพื้นที่มีหินขรุขระข <c oughs> มโนตามเพียบเลยเห็นแล้วยังฮะไม่ใช่ก็จะเล่าให้ฟังว่าเนีน่ยนามมารู้เหมือนกันแล้วเเราวเพวกเราก็รู้สึ ก, สกรู้สึกรู้สึกสยองรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกกับภาพนั้นอนะ่ะเขาจะยังเสร็จแล้วป้าหลวงพี่ตุ้ยก็บอกว่าป้ามันก็ฟื้นขึ้นมา อย่าเอาฉันไปทิ้งเลยปล่อยฉันไว้นี่แหละถ้าอยากได้เงินก็ไปเอามันอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมันก็ทิ้งแกแล้วก็ไปค้นเอาเงินแล้วมันก็จากไปแกก็สลบไปจนตอนเย็นแกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแกก็คานมาแล้วก็มาคว้าโทรศัพท์โทรเรียกลูกหลานก็ไปหาแก เขาก็เลยเอาแกไปเข้าโรงพยาบาลพอแกไปอยู่โรงพยาบาลได้หนึ่งคืนเรื่องราวนั้นจบแล้วยังเรื่องราวนั้นจบไปยังเรื่องราวการทํำร้ายจบไปยังจบแล้วใช่ไหมแกคนจะไม่ทุกข์กับมันอีกแล้วกับเรื่องราวนั้นแต่ปรากฏว่าพอเช้ามามีชาวบ้านมาถามอีก คนไปเยี่ยมไงเพราะแกเป็นที่รักของคนเยอะไงชาวบ้านจะผ่านไปหาเก็บของป่าจะออกจากป่าเข้าหมู่บ้านก็ต้องผ่านบ้านแกไงพอได้ข่าวว่าแกถูกทำร้ายทุกคนก็ไปเยี่ยมแกไงพอเขาไปถึงปุ๊บเขาก็ถามแกว่าเป็นยังไงบ้างแกเขาบอกโอ้นั่นเจ็บอยู่มันตีแกตรงไหน เสียงกระทบหูใช่หรือไม่เสียงกระทบหูยังมันตีแกตรงไหนคิดว่าเสียงกระทบแล้วจบไหมอะไรจะเกิดขึ้นภาพเหตุการณ์ถูกตีท้ายถอยมันตกระึ้งขึ้นมาทันทีใช่หรือไม่ถามว่าแกเห็นว่าแกถูกตีไหมแต่ภาพนั้นเกิดขึ้นในใจแกได้ไหม เพราะอะไรในหนังก็มีข่าวก็มีละครก็มีใช่หรือไมใ่ใครมันจะเห็นว่าไทาทรอยถูกตีมีใครเห็นไหมแต่พอเวลามีคนถามว่าแกถูกตีตรงไหนมันจะเป็นภาพแกแกจะสร้างภาพเป็นแกถูกตีใช่หรือไม่ก็มาจากไหนก็เหตุการณ์ในข่าวในละครในหนังนั่นแหละถูกตีไททรอยภาพเหตุการณ์ถูกตีไททรอย มันตีแกกี่ทีเ <c oughs> ข้าใจยังพอถามว่าถูกตีกี่ทีปั๊บก็จะเป็นภาพภาพขึ้นมาอีกเป็นผู้ชาคนหนึ่งเอาไม้ฟาดท้ยทอยแกปกัปกปกักปักสามทีแล้วมันมีแค่ภาพไหมความรู้สึกในเวลานั้นในขณะที่มันเกิดเหตุการณ์นั้นความกลัวที่เกิดขึ้นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น มันจะย้อนมาไหมมันก็มาทั้งหมดเห็นไหมนำมารูปมันสร้างได้ทุกอย่างเข้าใจความหมายไม่ที่นี่ <c oughs> มันก็ย้อนมาทุกอย่างนั่นแหละแล้วมันทำยังไงต่อมันลากกูไปทิ้ง <c oughs> คิดภาพออกไหมแกก็ต้องเกิดเกิดมภาพมโนภาพว่าแกถูกลากตะลุดตรุดไปความรู้สึกตอนนั้นจะเกิดขึ้นไหม มันก็ย้อนมามาอีกอกลุ่มที่หนึ่งผ่านไป <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่มีแค่กลุ่มเดียว <c oughs> กลุ่มที่สองก็มาอีกมันตีแกตรงไหน <c oughs> มาอีกไหม <c oughs> มันตีกี่ทีก็ชายซ้ำอะแล้วมันทำยังไงก็ชายซ้ำอะ กลุ่มที่สามมาผ่านไปสามกลุ่มสี่กลุ่มพอกลุ่มที่ห้ามาแกหันหน้านี่แกเล่าไม่ได้แล้วเข้าใจไหมแกเล่าไม่ได้แล้วมีแต่น้ําตาที่ไหลเยือกมาความทุกข์ที่มันหมุนหลายรอบหลายรอบธรรมะ ก, การถูกทำรลายจบไปหรือยัง แต่เสียงได้ไปกระตุ้นให้เกิดเรื่องราวนั้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่หรือไม่จนแกช็อกแล้วอะ่ะก็ร้องไห้แกนอนน้ำตาไหลทุ้คนก็ได้ถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงกูอยากฆ่ามันยังไง กูอยากฆ่ามันกูอยากทำายมันกูอยากให้มันเจ็บปวดแบบกูบ้างกูอยากให้มันได้รับรู้ความรู้สึกของกูบ้างความทุกข์บีบขันจนกลายเป็นความแขนอาฆาตพยาบาทเห็นไหมท า, ทางที่แกให้ใช่คนแบบนั้นแกเป็นคนใจดีเออแกเป็นคนใจดี แ ต, แต่แต่พอมันต้องฉายหนังซ้ําแล้วซ้ําเล่าอ่ะนำมารูปมันหมุนแล้วหมุนเล่ามันไม่ได้แค่นํามารูปไงปฏิจจสมบัติมันหมุนเป็นครบวงจรเลยอ่ะเข้าใจไหมทุกคําถามนั้นมันทําให้ปฏิจจสมบัติหมุนเต็มรอบอ่ะหมุนเต็มรอบเต็มรอบเต็มรอบเต็มรอบเต็มรอบอยู่นั่นแหละนั่นแหล ะ, ะก็เลยกลายเป็นความทุกทุกที่มันอัดแน่นจนแกกลายเป็น ความแค้นความอาฆาตความพยาบาทนี่ไงเออเห็นไหมทีนี้เข้าใจการอนุภาพห้องน้ำ ม, มารูปที่มันส่งผลไหมเนี่ยการปรุงแต่งทางจิตทําไมอาจารย์ถึงบอกให้รู้ทันความคิดทําไมนิยามการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่เทียนยังใช้คําว่าให้รู้กายเคลื่อนไหวเห็นกายเคลื่อนไหวให้เห็นใจนึกคิด เข้าใจยังไงเนี่ยเพราะกายเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ไอตัวที่ทำไม่เป็นทุกข์ใจคือไอความคิดที่มันปรุงแล้วมันไม่รู้ทันเนี่ยเนี่ยยังป้าหลวงพีตุ้ยคิดแล้วก็ไปหมุนไปหมุนไปหมุนไปเนี่ยเข้าใจยังไงเนี้ยเออหลวงพิตุ้ยไปเยี่ยมก็เลยพานอนแกงหงายมือคว่มือ พี่ตุย้ยก็เบอกอไม่ได้การแล้วหองพี่ตุย้ยก็เลยไปบอกอเลื่อเยี่ยมเื่เยี่ยมอย่าให้แกพูดมากเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีข้าใจยังนี่นะมถ้าไม่พูดคำนี้ปุ๊บชาวบ้านก็ยังอยากจะถามอะถามว่าชาวบ้านอยากซ้ำเติมแกเหรอไม่ใช่มันคือความห่วงใยแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ พูดอย่างเนี้ยมันเข้าไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเนี่ยความไม่รู้ของชาวบ้านเข้าใจไหมแต่ถามว่าเขาเป็นห่วงไหมเขาก็เป็นห่วงเขาก็รักเขาก็ห่วงนั่นแหละใช่หไหะหลวงปี่ตุ๊กเลยบอกว่าอย่าไม่ไม่ถามเรื่องนี้ละน้ำให้ถามเรื่องนี้แล้ ว, ลวเพราะว่ามันเกี่ยวกับรูปคดีนะสำนวนคดีมันจะเป็นยังไงมันจะผิดเพี้ยนไปแล้วไม่ต้องถามเรื่องนี้แล้วคือถ้าถามอีกแกก็จะเป็นแบบนี้แกมา หลวงพีต้ยก็เลยบอกอ่ะบ้าจำได้ไหมที่เคยสอนไงมือความมือให้แกนอนไงมือความือสักแป๊บเดียวอ่ะแล้วก็คลายออกเห็นไหมทำไามันคลายออกเพราะใจมันกลับมารู้สึกตัวเมื่อกลับมารู้สึกตัวปุ๊บกระบวนการปรุงแต่งก็ ยุติลงเข้าใจย่างใช่ไหมฏติดจะสมบูรณ์มันก็ไม่หมุนไปอีก เ, ออเนี่ยนามารูปมันก็สลายไปมไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นอีกแล้วมกลับมารู้สึกตัวเนี่ยเข้าใจยางใชนะ่อืมพูดเรื่องนี้แล้วเป็นไงพอจะเข้าใจไหมเอาเรื่องใหญ่น้อยอีกสักเรื่องไหม ยายน้อยทรงวะยายน้อยเป็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งบ้านแกอยู่ติดถนนทางเดินบินทาบาทของวัดตุกวันพระบินทาบาทผ่านหน้าบ้านแกแกก็นั่งหน้าเท้าอยู่บนรถเข็นก็ไปถาม ยายเป็นอะไรขาฉันขาดถ้าไปไหนไม่ได้หมอตัดขาเพราะเป็นซิสแล้วมันมันจะทำให้ตายไงก็ต้องตัดเพื่อไม่ให้มันลุกลามทุกไหมทุกไหมคนเคยไปไหนมาไหนด้วยตัวเองแล้วต้องมาเป็นแบบนี้ทุกไหมคนเคยช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างแล้วมาเป็นแบบนี้การช่วยตัวเองจะเป็นไง โอ้มันไม่สะดวกเหมือนก่อนแน่แน่แนใช่เือไม่แกกระทุกนั่งน้าเศร้าทุกวันก็พระทิวัิก็เลยไปสอนทุกเย็นสอนแก้งายมือความมือสอนยกมือสร้างจังหวะพอยกไปยกไปแกก็ยกค้างเข้าใจไหมจังหวะแกะยกค้างเพราะอะไรอันนนแปลว่าพวกเรานี้ไม่ธรรมาดา ผ่านประสบการณ์เยอะ <laughs> จังหวะที่ค้าก็คือใจมันหลงคิดออกไปแล้วใช่หรือไม่มันเผลอคิดออกไปแล้วปุ๊บพักก็เลยทักนะเมื่อกี้ทำไมผิดจังวะล่ะมันคิดเรื่องอื่นอือ้อหนกลับมาใหม่พักทำอีกแต่พักแวบอีกเมื่อกี้คิดอีกแล้วใช่ไหมใช่เออีกเอาไหมเมื่อกี้คิดอะไรใช่ไหมใช่เห็นไหมเมื่อกี้มันคิดใช่ไหมใช่ แล้วมันคิดดีหรือไม่ดีไม่ดีมันคิดเรื่องขาขาดมันคิดเรื่องไม่นั่นไม่นี่มันคิดเรื่องเป็นทุกข์อ่ากลับมาหนิกลับมาหนิพาแกกลับมาผ่านไปสามวันสอนอย่างนี้แหละพอวันที่สี่จะไปสอนเ ย, ยน้อยอาจารย์ฉันรู้แล้วฉันรู้แล้ว ว่าฉันเป็นทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะอะไรอย่าเพิ่งตอบสิยา่น้อยไม่ตอบแบบนี้ไอ้ตอบแบบนี้มันอาจจะคิดเอาไงแต่ยายน้อยตอบด้วยประสบการณ์ฉันรู้แล้วทุกข์เพราะอะไรเมื่อเช้านี่เขาล่เาเลยนะเมื่อเช้านี่ มีใ่นั่นใหยนี่ประมาณสักสี่ 4, ห้าใยนี่แหละเพื่อนเก่าเพื่อนแกนะพากันหิ้วตะก้าผ่านมาที่บ้านเนี่ยตะโกนเรียกฉันชวนฉันไปหาเก็บเห็ดชวนไปหาเก็บเห็ ด, ป, หกหดปกติเขาผ่านเ้าก็ชวนกันทุกวันนั่นแหละที่ผ่านมาเข้าใจไหมหน้าเห็ดมันออกเขาก็รีบชวนกันไปเก็บหลังวัดอาจารย์นั่นแหละไปน้อยไปหาเก็บเห็ดกันฉันก็เลย ตะโกนตอบไปว่าไปเหอะฉันไปไม่ได้หรอกขาขาดนั่งรถเข็นอยู่มันเอารถเข็นขึ้นเขาไม่ได้ทุกคนอ๋อเออลืมไปลืมไปคือมันมันเป็น ก, ปการตะโกนเรียกด้วยความเคยชินเนี่ยเข้าใจไหมอ๋อลืมไปลืมไปเอาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะหามาเพื่อทุกคนก็จากไปทุกคนไปจบแล้วสําหรับพวกเขา เขาไม่ได้คิดอะไรหรือเขาคิดอะไ ร, รไม่รู้แต่อย่างน้อยบอกว่าใจฉันนะพระอาจารย์มันวิ่งตามเข้าไปวิ่งตามเข้าไ ป, ค, ปาคิดถึงเห็ดตรงป่านั้นคิดถึงเห็ดตรงป่านี้โอ้ยเราทำไมวาสนามันน้อยเหลือเกินทำไมต้องมาเป็นอย่างนี้โอ้ยถ้าเราขาดีเหมือนเมื่อก่อนเนียพวกนี้ไม่มีทางเก็บเห็ดช่เราได้หรอก คิดไปอาจารย์คิดไปคิดย้อนมาขาขาดคิดย้อนมาเป็นภาระอย่างโน่นนี้นนมันก็น้อยใจตัวเองอาจารย์น้ำตาตกปอกปอกปกเลยน้ําตาไหลออกมาเลยแกบอกนั่งน้ําตาไหลฉันจําได้ว่าอาจารย์บอกให้ยกมือฉันเลยยกมือขึ้นงนี้ฉันก็เลยยกมือขึ้นงนี้อาจารย์พอยกมือขึ้นปุ๊บมันดีดปุ๊บ <c oughs> ก็บมาใครวะ ใจมันดิบเพิบกขึ้มาปุ๊บสวงวะคือพอมันดิบพิ่มาปุ๊บมันร่วงเลยอ่ะเข้าใจป่ะมันหลุด ม, ลมันโปรง่งมันร่วงมันแบบเหมือนแบบมันเบาไปเลยแกบอกสวงวะภาษาอีสานนี่คำว่าสวงวะนี่มันสุดยอดเลยด้อเออสวงวะน้ําตานี่หยุดไหลเลยจาร ความคิดทั้งหมดหยุดหมดเลยโอยไม่ทำไม่ได้แล้วแล้วแกก็พูดไปก็ขยับมืออย่างนี้นะไม่ทำไม่ได้แล้วไม่ทำไม่ได้แล้วน้อยไม่รู้จักปฏิจจสมบบาทไม่รู้จักขันห้าไม่รู้จกักโพธิปักกิจธรรมสามสิเจ็ด ไม่รู้จักอริยมรรคบูรโองแ์8ไม่รู้จักอริยสัจสี่ท่องสีลห้ายังไม่ครบสัต์ได้แต่อรหังสัมมาแต่สิ่งที่ใหญ่น้อยรับอยู่ตอนนี้คือสว่งวะและที่สำคัญแกรู้เลยว่าแกทุกเพาะเรื่องนี้เพราะแกออกจากทุกได้เพราะรู้สึกตัวนี้ แค่ทุกเพราะแกไหลไปในความคิดเพราะฉะนั้นแกออกจากทุกได้เพราะแกกลับมารู้สึกตัวเนี่ยคิดดูเดะทุกวันนี้แกกับหน้าตาแกกับตาใสแกนั้ต่ตาแกใสจริงๆไม่ไม่ไม่ทุกข์กับนั่งรถเข็นอีกแล้วอ แคสอนหลานแกด้วยนะแค่สอนหลานแกยกมือพาหลานสดมลวันตกเย็นไอหลานที่มันอยู่อนุบาลกับหยุดปป .2 มั้งถึงเวลาปั๊บยายายาไหวพระไหวพระตอนเย็นน่ะชวนยาไหว้พระสดมลแล้วก็นั่งยกมือกับแกแล้วหลานแกก็หลับไปแกนั่งทําของแกไปแกต้องทํำแกไปเนี่ยตะราวันทะลาวันแกก็มีอาชีพ ถักแห่ถักแห่เข้าใจปะแกบอกเมื่อก่อนเนี่ยใจมันรู้สึกถักถักเสร็จช้าช้าอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้มันถักเสร็จไวๆทำไมอะ่ะรู้สึกตัวเรามันถักถักไวขึ้นเหรอไม่อะ่ะแท้ก็ถักเหมือนเดิมแต่ฉันรู้เลยเมื่อก่อนเวลาถัก ใจมันอยากให้เสร็จไวๆจะได้ขายเอาเงินมาเลี้ยงหลานเข้าใจไหมความไม่รู้ทันใจที่ใจมันเร่งเราอยากเสร็จอยากเสร็จอยากเสร็จจะได้ เ, เงินมาเลี้ยงหลานว่ามันทำให้แกเป็นทุกข์แต่เดี๋ยวนี้แกก็ยังถักเหมือนเดิมแะความเร็วก็เท่าเดิมแต่อยู่กับตรงนี้อยู่กับถักแหแกว่าแกอยู่กับถักแห แกกลับบอกว่ามันกลับรู้สึกเสร็จเร็วกว่าเดิมที่รู้สึกเสร็จเร็วเพราะอะไรเพราะใจมันไม่ไปเป็นทุกข์ไปกังวลกับการเสร็จหรือไม่เสร็จเข้าใจปะแกทำขณะของแกไปเสร็จก็คือเสร็จแล้วก็ได้เงินมาเลี้ยงหลานแกนี่ไงหญยน้อยถ้าไปวัดอาจารย์นะจะพาไปเยี่ยมแก ให้แกเล่าซ่วงวะให้ฟังแกเล่าให้ฝรั่งฟังนะฝรั่งรู้เรื่องเลยนะฝรั่งเขารู้ว่าพระอาจารย์ทํ า, า, า, าเรื่องการดูแลผู้ป่วยใช่ปะรักษาใจผู้ป่วยใช่ปะฝรั่งเขามาดูงานฝรั่งมาดูงานก็เลยบอกเฮ้ยไม่ต้องอธิบายมากหรอกพาไปดูคนไข้เลยดีกว่าคนไข้รายแรกใหญ่น้อยใหญ่น้อยเล่าให้ฝรั่งฟังหน่อย สันสันว่าฝรั่งเปลี่ยนที่ละฉันพูดฝรั่งไม่ได้อาจารย์ไม่เป็นไรเราไปเหอะเดี๋ยวอาจารย์แปลเองแกก็เล่าเี่ยแกก็เล่าภาษาอีสานของแกนี่แหละแกก็เล่าไปเล่าไปเล่าไปซ่วงว <laughs> พะพอแกซ่วงวะใช่ปะยังไม่ได้แปลฝรั่งฟังเลยฝรั่งโอ้วิลี่กูดวิลี่กูดยัวไมที่เชอยัวไมที่เชอเอา เลยถามดรโจนฟังภาษาอีสานรู้เรื่องหรอือไม่รู้แล้วฟังยานเอรู้เรื่องหรอรู้ <laughs> อีกครั้งหนึ่งเนี่ยดรโจนฟังภาษาอีสานรู้เรื่องหรอไม่รู้แล้วฟังยานเอรู้เรื่องหรอือรู้รู้ว่าไงเอ้าว่ามาสิดอ็อกเตอร์โจนเก็บคูพภาษาอังกฤษมาซึ่งพอเราฟังปุ๊บอ้าวมันรู้นีดิว่ะ คือเขาจับใจความได้หรือว่ายายน้อยเกิดอะไรขึ้นแล้วใายน้อยเป็นทุกข์ได้ยังไงแล้วใายน้อยกลับมาได้ยังไงแล้วสวงวะคืออะไรเขาเข้าใจเลยเขาบอกโอ้เนี่ยฉันมีความสุขเหลือเกินฝรั่งน้ำตาปิมปิมจับมือยายน้อยโอ้โอขอบคุณมากขอบคุณมากฉันมีความสุขเหลือเกินที่ได้พบคุณใายน้อยทรงวะ <laughs> เข้าใจไหมเนี่ย <laughs> เพราะฉะนั้นที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดก็เพื่อให้เห็นว่า เมื่อใดก็ตามที่เราไม่รู้อวิชชากระจายยังไม่มีสติคืออวิชชามันจะเมื่อเกิดการกระทบทางอายตนะปับ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือกระบวนการปรุงแต่งมันจะเกิดขึ้นและผลผลิตของการปรุงแต่งก็คือนา ม, มารูปมันจะกลายเป็นเรื่องราวภายในใจของเราแล้วส่งผลยาวไปจนถึงทุกข์แต่เมื่อใดก็ตาม ที่คุณรู้ทันว่าขณะนี้นา ม, มารูปปรากฏและคุณกลับมารู้สึกตัวได้นา ม, มารูปมันจะดับเข้าใจไหมมันจะไม่มีการปรุงแต่งต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเมื่อนา ม, มารูปมันดับปุ๊บคุณมองเห็นไหมคุณลองเอาปากกาขีดแบ่งครึ่งดิขีดแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งกลางหนึ่งถึงหคือเหตุ 7ถึงสบสองคือผลเห็นไหมขีดที่เล็กสิบสองซิจักผ่ากลางลงมาเลยจากสิบสองมาหาหกนั่นแหละแล้วแบ่งครึ่งออกมาให้เห็นเลยว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหตุส่วนห7เจดสิบสองเนี่ยมันเป็นผลเพราะฉะนั้นเมื่อนำมารูปมันปรากฏแลวเรารู้ทัน แล้วนำมารูปมันดับลงผลมันจะเกิดขึ้นได้ไหมทีนี้เมื่อเหตุถูกละผลย่อมมีไม่ได้เข้าใจยังเพราะฉะนั้นคำพูดของพวะคำเขียนที่พื่บอกว่า <c oughs> เราได้มีประสบการณ์เห็นรูปนามตามความเป็นจริงการปฏบิบัติบนเส้นทางนี้จะนำพาพวกเรา ไปเห็นอาการดับไม่เหลือของนามรูปหลวงพ่อ เ, อเขียนแจ้งเขาว่าเรามีประสบการณ์เห็นรูปนามตามความเป็นจริงให้พวกเราปฏิบัติกันไปเถอะบนเส้นทางนี้จะนําพาเราไปเห็นอาการดับไม่เหลือของนามรูปเข้าใจอยังใช่ไหมหลวงพ่อไม่ได้สับสนนะ รูปนามคืออะไรเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนามนามมารูปคืออะไรคือเรื่องราวที่จิตมันสร้างขึ้นในใจของเราเข้าใจอย่างที่เนี่ยแม้แต่การสร้างความรู้สึกเป็นอัตราตัวตนก็คือนามมารูปภาวะที่จิตมันสร้างขึ้นทั้งหมดคือนามมารูปหมดเลยไล่จนถึงตัญหาอุปทานทั้งหมดมันคือผลงานของนามมารูปทั้งนั้นนะเข้าใจความหมายไหม นั่นแหละทำไมถึงให้รู้ทันความคิดเข้าใจอย่างนี้แล้วทาไมอาจารย์ถึงบอกว่าความคิดมันมีชั้นหยาบจนถึงชั้นละเอียดมันคือผลผลิตที่นำ ม, มารูปมาเลยเนาะมันคือผลผลิตของการปรุงแต่งมันคือนา ม, มารูปมาเลยอะเป็นผลพวงต่อกันหมดเลยอื เมื่อเข้าใจตามนี้แล้วเห็นสมควรแก่การที่ต้องปฏิบัติต่ออ้าวขยับแข้งขยับขาเดี๋ยวนั่งยกมือสร้างจังหวะต่อเ น, นื่องสักพักหนึ่งสังเกตเห็นความคิดที่มันปรากฏขึ้นเองด้วยตัวของมันสังเกตเห็นพอมันคิดแล้วมันก็สร้างเรื่องสร้างราวขึ้นในใจเราจริงไหมและสังเกตดูว่าพอมันสร้างเรื่องสร้างราวแล้ว มันลากเรายาวไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะเป็นถูกเป็นผิดเป็นสุขเป็นทุกข์กับมันไหมเข้าใจไหมพร้อมเริ่ม เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวสร้างความรู้สึกตัวของเราเนี่ยเคลื่อนไหวเจริญสติให้เกิดความรู้สึกตัวของเราเนี่ยจึงเป็นไปเพื่อให้รู้สึกตัวส่วนสภาวธรรมทั้งหลายนั้นมันธรรมของมันอยู่แล้วเข้าใจไหมเรามีหลักความรู้สึกตัวให้เป็นหลักเป็นวิหารละธรรม เพื่อจะเห็นอาการเหล่านั้นเพราะถ้าเราไม่มีวิหารละธรร ม, เ, มเราก็จะไหลไปกับมันเข้าใจไหมเราก็จะไหลไปกับมันซึ่งเมื่อเราไหลไปกับมันเราจมอยู่ในมันเราไม่เห็นมันแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีหลักเราจะเห็นมันแล้วเราไม่เป็นกับมันนั่นแหละเราจะเข้าใจคำว่าความไม่ทุกข์นั้นมันมีอยู่เข้าใจอย่างนี้ ความไมทุกข์นั้นมันมีอยู่นะเราไม่ได้เป็นอะไรมาแต่แรกอยู่แล้วนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมช่องทางเชิญจ้าเอาไมไหมเอาไม้ไห ม, เ, ไ ม, ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้เขาเอาไม้ให้ก่อน ยังงแล้วไม่ก่อนตอนแรกที่พระอาจารย์เทศนะคะบอกว่าถ้ารู้สึกตัวแล้วเราจะเห็นขันห้ามันแตกออกมาโยงไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าตอนแรกมันมันจะเห็นยังไงจ้ะคะเมื่อเรารู้สึกตัวเนาะเ <c oughs> มื่อเรารู้สึกตัวเราเราก็จะมองเห็นกายทํางานผ่านอิริยาบทเนาะเรามองเห็นจิต ผ่านความคิดเนาะเออทีนี้พอเรามาสังเกตดูดูนะพี่ฝนขอหน่อยให้เห็นจะชับง่ายๆใน <c oughs> สองนาน้นนะ่ะ อืมโอเคครับอันดับแรกเนอะ <c oughs> นี่มองเห็นไหมเรีย <c oughs> บร้อย <c oughs> อันนี้ขนาดจอใหญ่แล้วนะ <c oughs> คืออันดับแรกเราใช้การขึ้นไหวของกายเป็นที่ระลึกรู้ใช่ไหมใช่ป่ะกายขึ้นไปไปขึ้นไปมาปุ๊บเราจะเห็นอะไร ความคิดปรากฏออกมาใช่ไหมเห็นกายขึ้นไหวปุ๊บสักพักก็เห็นความคิดปรากฏออกมาใช่ป่ะเห็นกายขึ้นไหวปุ๊บเห็นความคิดปรากฏออกมาอยู่เรื่อยใช่ไหมเอาไปเอามาการเห็นอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆอะมันก็เลยทําให้เรามองเห็นว่าอ๋อกายเนี้ยมันก็เป็นธรรมชาติอีกองหนึ่งเป็นวัตถุที่ถูกรู้ขณะที่ความคิดที่ปรากฏก็กลายเป็นวัตถุที่ถูกรู้อีกอันหนึ่งเข้าใจป่ะ แล้วเราก็มองมองดูว่าเอา้าแล้วมันต่างกันยังไงกายกับใจแล้วก็จะมองเห็นว่ากายมันก็มีการงานมีอาการมีหน้าที่มีลักษณะธรรมชาติของมันเองขณะที่จิตที่มาในรูปของความคิดมันก็มีการงานมีหน้าที่มีอาการมีธรรมชาติของมันเองเมื่อเราเราสามารถแยกได้ทั้งสองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไอ้ที่เราแยกได้เนี่ยมันเพราะอะไร ภาวะผู้รู้อ่ะมันได้รอเด่นขึ้นมาแล้มองเห็นกายกับจิตเป็นคนละอย่างกันอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณโอเคไหมเพราะฉะนั้นภาวะรู้ตัวนี้มันก็จะทําหน้าที่ในการที่จะรู้ละแล้วมันก็จะดูกายเคลื่อนไหวดูใจเครื่อนคิดดูกายเคลื่อนไหวดูใจในคิดเพราะฉะนั้นกายที่เคลื่อนไหวก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ใจที่นินคิดก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ภาวะรู้ก็ทําหน้าที่รู้ไปโอเคไหมท้าที่สอง หน้าที่สองนี้ก็คือพอเราดูกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็จะเห็นว่ากายที่เคลื่อนไหวไปมาเนี่ยมันจะมีอาการปวดเมื่อยไหมและอาการปวดเมื่อยมันใช่กายไหมสังเกตดูไหมมันมีเกิดแล้วก็หายเกิดแล้วก็หายใช่หรือไม่เพราะอาการปวดเมื่อยก็คือเวทนามันปรากฏใช่ไหมเพราะเราเห็นรูปกายรูปกายผ่านการเคลื่อนไหวอิริยบท ต, ต่างๆเราเห็นเวทนา ผ่านความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายด้วยอาการนั้นอาการปวดอาการเมื่อยอาการสบายใช่หรือไม่เสร็จแล้วพอมาเรารู้ทันความคิดพอเรามารู้ทันความคิดมากขึ้นใช่ป่ะเราก็เห็นว่าเฮ้ยในความคิดนั่นอ่ะมันก็คือสัญญาเข้ามาทํางานและคือสังขารเข้ามาปรุงแต่งต่อสัญญานั้นใช่หรือไม่ภาวะรู้มาทํางานไหมก็คือวิญญาณเข้าใจอย่างนี้ไหมอืม กินแล้วแต่ไม่ได้เข้าใจมันเท่านั้นเองเรารู้เราไม่เข้าใจในสิ่งที่เราสัมผัสอยู่เท่านั้นเองจริงจ ร, งจรงสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ตลอดเวลาไหมตลอดมีไหมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะน้อยใจเพราะไม่เห็นเราจะหาว่าให้แต่ทางนี้ดูแท้ความจริงสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ตลอดเวลา มันปรากฏแล้วมันทํางานของมันอยู่อย่างนี้เราไม่เข้าใจในสิ่งที่เราสัมผัสอยู่เท่า น, นั้นเองคุณไม่สังเกตเหรอว่าอาการปวดเมื่อยมีไหมแต่คุณกลับไม่รู้จักมันเองว่านั่นเขาเรียกว่าเวทนาเนี่ยรูปกายที่ขึ้นแบบไปมามีไหมมีใช่หรือไม่การที่พอบรรู้ทึนความคิดคุณไม่สังเกตเหรอว่าพอมีความคิดเกิดขึ้นปับ๊บสมมติวตากระทบรูปปั๊บเนี่ยสัญญาณเข้ามาทํางานแล้ว ว่าอ้รูปที่มากระทบเนี่ยคืออะไรหมายถึงอะไรเห็นไหมเสร็จแล้วก็มีกระบนการที่ตามมาต่อคือปรุงแต่งยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจไปกับเรื่องาราวเหล่านั้นกับสัญญาเหล่านั้นที่ปรากฏขึ้นมากระบวนการปรุงแต่งมันก็เกิดขึ้นในขณะที่มันเกิดอาการเหล่านั้นเราก็มีภาวะที่รู้รู้กับอาการเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้ามันก็ทํางานของมัน เอาไปเอามามันมีเราตรงไหนอะมันมีเพียงแต่ขันที่ทำงานกันทั้งนั้นเลยมันมีแต่กระบวนการที่มันทำงานกันทั้งนั้นมันไม่ได้มีเรานี่แหละท่บอกว่าถ้าคุณรู้สึกตัวดีๆต่อเนื่องมากๆเนี่ยมันจะเข้าไปเห็นอาการเหล่านี้แต่มันต้องแยกมันต้องแยกตัวนี้ก่อนแยกใจจิตก่อนถ้าใจยางเห็นเนี่ย ถ้ามันแยกสองตัวนี้ยังไม่ได้มันจะมันจะมองตัวอื่นไม่ออกดันั้นมันจึงเป็นข้อบังคับตายตัวไงว่าทำไมวิปัสนาญาณที่ต้องบังคับเลยว่าต้องแยกกายแยกจิตแยกนูปแยกนามให้ได้ก่อนนั่นคือวิปัสนาญาณที่หนึ่งโอเคไหมเอออ่ะมีอะไรจ๊ะขอบคุณฮนะกาบเรียนถามพราอาจารย์ค่ะ ถ้าเราฝึกสิบสี่จังหวะไปอย่างสม่ำเสมอเรื่อยๆเมื่อถึงวาุทายวลาสุดท้ายก่อนตายหรือป่วยหนักไม่สามารถยกมือได้อาการของจิตจะเป็นอย่างไรคะเออใ <c oughs> ครสังเกตไหมอืมใครเคยเคาคอสกับพระอาจารย์มาก่อนยกมือขึ้นแล้วเคยสังเกตไหมตอนที่อาจารย์ให้นั่งนิง่งๆไม่ให้กําหนดกรรมาฐานอะไรตอนทีให้นั่งนิง่งๆเฉยๆยีสิบนาทีอ่ะ เคยจาไหมจําได้หรือเปล่าหรือจะบอกว่าเคยเ ข, ข้อข้ออาจารย์พอถามจําอะไรได้บ้าง<笑><笑>เอางี้คือจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าแม้แต่เรานั่งมือส้ายจังหวะอยู่เนี่ยนะ หรืใครเฝึกกรรมฐ า, านอะไรมาก็ตามเนะี่ยพอบางจังหวะเนี่ยเคยสังเกตไหมว่ามันกลับไปรู้ลมหายใจเองบ้างมันกลับไปรู้กับการกระดิกมือเองบ้างมีไหมมีไหมเออนั่นหมายความว่าเมื่อเราฝึกใจเราเป็นเช่นใดแล้วไม่ต้องห่วงที่บอกว่าเราฝึกสิบสีจังหวะอย่างสม่ําเส ม, มอเรื่อยๆยเมื่อถึงวารสุดท้ายก่อนตายหรือป่วยหนัก วงเล็บไม่สามารถยกมือได้อาการของจิตจะเป็นอย่างไรมันรู้สึกตัวมันก็จะรู้สึกตัวนัว่นแหละมันเคยมีร่องรอยเส้นใดมันก็ไปตามร่องรอยนั้นมันไปสู่ที่ชอบที่ชอบเข้าใจไหมคือมันเคยอยู่กับอะไรมันเคยฝึกฝนอยู่กับอะไรเป็นอย่างไรมันก็ไปตรงนั้นแหละ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะเนี่ยคนชอบถามมากเลยอะ่ะถ้อป่วยหนักยกมือไม่ได้แล้วทำไงถ้าแกจะตายยกมือได้ไหมโถเธอฝึกมาซะจนจะตายแล้วฝึกมาซะจนจะตายแล้วมันวิ่งไปของมันเองจิตมันเป็นอนัตตาแต่ฝึกได้เข้าใจยังไงเนี่ย อ, อ่ะดูต่อเมื่อต้องตาย แล้วควรตายที่โรงพยาบาลและตายที่บ้านดีกว่าคะไม่เอาใครตายกันแน่ไม่ถามอาจารย์ต้องถามตัวเองถ า, าถามตัวเองถ้าถามอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์อยากตายที่วัดทําไมถึงอยากตายที่วัดหนึ่งที่วัดก็จะมีญาติโยมมาถ้าอยู่โรงพยาบาลมันคงลำบากที่ญาติโยมจะแห่กันไป ที่วัดอาจารย์ก็จะอยู่ทถาำกลางลูกศิษย์ลูกหาเข้าใจไหมถ้ำกลางญาติโยม อ, อยู่ในที่ที่เราคุ้นเคย เ, เราคุ้นเคยอยู่กับวัดนะแล้วก็เราก็คงไม่อยากจะมีสายระโยงระยางเครื่องไม้เครื่องมืออะไรใช่ไหมเราก็อยากอยู่กับตายอย่างสบายสบายอะ่ะไม่ต้องมายือ้อไม่ต้องอะไร ถ้าอยู่โรงพยาบาลจะตายอย่างสบายๆได้ไหม mm hmm. เขาคงจะเสียบสอดแทงแยงแย่ทุกอวัยวะที่สามารถสอดได้ไม่มีรูให้สอดกูกะปาดสอดเออะไรเงี้ยคือมันคงจะลําบากอะนะ mm hmm. ก็เลยถ้าเป็นอาจารย์เพราะคุณถามว่าเมื่อต้องตายเราควรตายที่พุ่บานหรือตายที่บ้านไม่รู้เรื่องของคุณ <laughs> แต่เรื่องของอาจารย์คือตายที่วัด ข้อที่สามถ้ามีคนตายที่บ้านเราจะต้องทำอย่างไรคะรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายให้ เ, เลหน่อยคะ่ะยังไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้ที่บ้านโอ้ยช่างเป็นผู้เตรียมพร้อมเลอกเกินต้องไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านแจ้งกำนันแจ้งแจ้งแพทย์ประจำตำบล แจ้งอนามัยแจ้งตำรวจให้เข้ามาชนะสูตรศพให้เรียบร้อยยืนยันว่าตายยังไงจากนั้นก็ไปแจ้งความขอใบพลรณบัตรทำไมต้องถามด้วยวะ <laughs> มันเรื่องกดบุตรไปหาอ่านไปเอาไปอาจจะ ม, มันตรงนี้อาจจะไม่สงูงนั่นแหละแต่เขาอาจจะสงสัยว่าพิธีกรรมใช่ไหมอืม พิธีกรรมต้องทํำยังไงเนี่ยน่าจะเป็นคำถาม น, นี้มากกว่านะไอ้เรื่องกฎมุงกฎหมายเรื่องในกฎหมายชาวบ้านมีอยู่ไปหาอ่านเอาพิมพ์ไปที่ Google เนะี่ยมีคนตายในบ้านต้องทําอย่างไรเดี๋ยวมันก็ตอบมาให้เองนะแต่ถ้าต้องทําพิธีอะไรบ้างอ่าเพราะถ้ามีคนตายในบ้านต้องทําพิธีอะไรบ้างก็คือก็นิมนต์พระมานั่นแหละก่อนจะบรรจุโลงก็สวดมรติกาก่อน แล้วแต่ประเพณีแต่ละที่นะไม่เหมือนกันอีกนะแต่ประเพณีของอาจารย์ของใครไม่รู้แต่ของอาจารย์เป็นอย่างงี้อาจารย์ก็จะพาสวดมาติคาบางสกุลก่อนแล้วก็เขาบรรจุลงท่านั้นแหละอาจารย์แล้นก็ตั้งไปเหอะจะตั้งกี่วันกี่เดือนก็ไม่บ้ากันตามไปตามสะดวกตามสบายนะจัดสวดมนต์ที่บ้านหรือจัดสวดที่วัดก็แล้วแต่เรา บ้านเราสะดวกไหมอ่แต่เดี๋ยวนี้คนกรุงเทพเขาไม่ทําที่บ้านหรอกใช่ไหมไปที่วัดปุ๊บไปถึงปับ๊บไปแจ้งปับ๊บเขาจะแพ็กเกจมาให้คุณเลยเดี๋นี้น่าเกียดมากเลยก็จะมีแพ็กเกจมาให้เลยอะกี่วันราคาเท่านี้จะได้ดอกไม้อย่างนี้จะได้อาหารอย่างนี้ ส่วนพระได้สองเท่าเดิมมันนะโอเคจิตของคนตายจะออกจากร่างทันทีหรือเปล่าคะหรื อ, อยังวนเวียนจะรอบๆตัวเขาหรือว่าไปเกิดใหม่ทันทีคะไม่มีตาทิพย์ซะด้วยนะ ดูหนังมากไปเพะว่าเนี่ยมันก็ไม่แปลกไงเพราะคนเราก็มันก็มีพวกหนังพวกละครพวกนี้มาเป็นสมมติบัญญัิใส่หัวอยู่แล้ว <c oughs> มันก็ไปตามบุญตามกรรมของเขานั่นแหละนะ <c oughs> จะถามเองนะไปไหนกันแล้วแต่ที่ชอบที่ชอบ เราจะทําอย่างไรให้จิตใจเราคือคือถ้าจะบอกว่าไปเกิดแล้วก็จะพอบอกคํานี้นะก็จะมีแย้งนะจะทําไมบ้านนั้นน่ะก็อบอกว่าตายสามวันอนะ่ะไม่กินทูบไม่กินอะไกินกนีค่คำนี้บ้านคือมันก็จะมีเหตุผลแย้งมากเลยเจอเยอะไอ้พวกเนี้ยตกลงไอ้คาตอบกูเนะี่ยไม่ใช่คําตอบที่มึงอยากได้ <laughs> เท่านั้นเองเออมันก็ ก็เป็นอย่างนี้เองวันก่อนมีนะพระอาจารย์ไก่ป่าบินเข้าบ้านโยมอะ่ะโยมจะทํำยังไงก็ดีแล้วไงเอาดียังไงอะ่ะไก่ป่ามันแล่าแวางภัยสูงแปลว่าถ้ามันบินเข้าบ้านคุณน่ะแปลว่าบ้านคุณเนี่ยมีความปลอดภัยสูงคนในบ้านมีเมตตากรุณาไก่ป่ามันก็เลยบินมาอาศัยอยู่ด้วยดีแล้วนะแล้วตอบว่าอย่างนี้มันก็บอกว่า แต่ผมได้ยินมาว่าแล้วมึงจะถามกูทำไมแ ต, แต่ผมได้ยินมาว่ามันจะมีใครอย่างง่้นอย่างนี้ก็ว่าไปเออตกลงไอ้ที่ตอบเน่ไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากได้แล้วมันก็รู้คำตอบเลยนะคำตอบที่เขาอยากได้มันก็เป็นคำตอบที่เขาเขาฝังใจเราก็จาบอกเออมันนีไม่เห็นอาจารเรายกตัวอย่างอีกนะ ไม่เห็นนะไก่ป่ามันวิ่งตามอาจารย์ต้อยต้อยต้ยเห็นไหมอาจารย์มีแต่เจริญรุ่งเรืองเลยเห็นป่ะแต่จริงๆไก่ป่าวิ่งตามอาจารย์จริงเออเวลาอาจารย์กลับไปนอนที่ก่อนอยู่วัดป่าสันนิษฐานะเวลาพระอาจารย์กลับไปนอนที่กุฏิมันเป็นมานอนอยู่หน้าปกติเออปกติไก่ป่ามันไม่นั่นนะมันมักไม่นอนอย่างน้ากุฏิแหละเออแต่พออาจารย์ไม่อยู่มันเข้าป่าไปเวลาอาจารย์เดินออกจากกุฏิมันก็บินลงมาวิ่งตามจนชาวบ้านบอกเอ้า ไก่ป่าคือวิ่งตามอาจารย์อือนี่แหละคนเมตตาสูงแต่ว่าพอมันเห็นคนมาปุ๊บมันวิ่งหลบเลยเด้ทิ้งหลบตอนหลังมามันก็มันก็ไม่ตามแต่อาจารย์มันตามพระทุกลูกเลยเนียคือถ้าเห็นชุดแบบเนี้ยเออมันคือความปลอดภยอยัยไงเออควปลอดภยัยก็ทุกวันนี้ก็เลยมีลูกไก่ป่าอยู่ในวัดอยู่นะมันก็ทิ้งร่องรอยของมันเอาไว้ให้ บแล้วก็มันก็เกือบตายนะเพราะความมันทิ้งกฎของป่าหมูนวายกับไก่บ้านแล้วโรคระบาดลงไก่บ้านโอ้ยมันก็เจอโรคเข้าไปด้วยแต่มันไม่ตายโอ้มันทนจริงฮนะขนคอนี่ล่วงหมดเลยขนคอมันนี่ล่วงหมดเลยนะขนมันล่วงหมดเลยทําให้ตาย มันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ได้บอกโอ้เอ็งนี่ทนจริงๆแล้วแล้วก็มันก็ทิ้งเชื้อแถวไว้ให้วัดอะลูกมันก็แข็งแรงทุกตัวโรคระบาดระบาดในหมู่บ้านวัดอาจารย์ไม่มีไก่ตายทั้ตัวอ่ามันก็แข็งแลงเพราะว่ามันผ่านเชื้อพ่อมันมาแล้วใช่ปะ ม, มันมีภูมิคุ้มกันเราจะทําอย่างไร ให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นไม่ร้องไห้ให้คนใกล้ตายเห็นเพราะเมื่อร้องไห้แล้วคนใกล้ตายจะยิ่งเป็นทุกข <laughs> ์แล้วจะตกสู่อบายภูมิได้รู้อีกเพราะเมื่อร้องไห้แล้วคนใกล้ตายจะยิ่งเป็นทุกข์อันนี้ใช่แลาจะตกสู่อบายภูมิได้เราจะต้องฝึกอย่างไรคะเพราะเป็นคนเซนสติฟมากค่ะขอบคุณสงนะฝึกเจริญสติ ก็ขอขอบคุณข อ, อนนโมทนาคับทุกทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันเรียนรู้ <c oughs> ก็เรียนรู้อย่างสนุกสนานเนาะอย่าไปเสีเยเลือธรรมะไม่ใช่เรื่องเสีเยเลือดนะหลวงพ่อความเขียนท่านบอกอาจารย์อาชิตพวกเรามันเป็นพวกพวกเราเป็นพวกสุขขาปฏิปทาขิ ป, ปะพินโยปฏิบัติสบายสบา ย, บายปัญญาเกิดอย่าง รดเร็วนะเราไม่ใช่พวกทุกขาปฏิปทา <laughs> ท่านท่ินอยู่เกิปฏิบัติอย่างยากลาบากปัญญาก็เกิดยากไม่เราเป็นพวกเจริญสติเราเป็นพวกปฏิบัติสบายปัญญากเกิดไว้นะก็ขอให้ตั้งใจตรงนี้ความสำคัญอยู่ที่ว่าให้เราสร้างความรู้สึกตัวแล้วก็สังเกตกับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ทั้งกายและใจเป็นผู้สังเกตการนะอย่าไปเป็นผู้เป็นเผลอไปเป็นเมื่อไหร่ยิ้มน้อยๆเข้าไปเป็นอีกแล้วเป็นทีไรทุกๆุกทีขอบใจจา้าที่มาเตือนให้รู้ว่าทุกแล้วนะครัเข้าใจมไหมอย่าไปโกรธมันอุย้ยเผลออีกแล้วอุย้ยเป็นอีกแล้วไม่ต้องยิ้มน้อยๆขอบใจจา้าที่มาเตือนให้ฉันรู้ว่าเผลอเมื่อไหร่เป็นทุกทุกทีเข้าใจไหม ให้รู้จักตรงนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าอ๋อชีวิตเนี่ยมันไม่จะเป็นงทุกข์ก็ได้เนาะความหลงความไม่รู้นำพาเราไปบบเป็นทุกข์บันนี้ให้รู้สึกตัวให้มากเนาะทายนี้ขอเอเมนเลยวอวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่ถูกต้องได้ศีลและธรรม ไม่เป็นไปด้วยการเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นก็ขอให้สําเร็จสำแดงปรารถนาทุกประการขอให้ทุกท่านได้มีชีวิตที่ยืนนานเพื่อมีโอกาสให้ทานรักษาศีลเจริญสติสมาธิภาวนาเพื่อจะมีโอกาสเข้าถึงธรรมเบื้องสูงให้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการพ้นทุกข์โดยเส้นเชิงในปัจจุบันชาตินี้หรือชาติใกล้ๆนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ ยะถาวเรวะหาปุราปาลิบุรินติสาคหลังเอวามิวาโตจินนังเปตานังกบปะกาปาเตฉิตังปิตังตุมหังคิปเมวัมมิจตุสเบโบนตุสังกปาจันดูวณนราโสยะถามณิเฉเติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชนตุสภารูโควินัสตุมาเตภวัตบรรดาโยสุกิธิขาโยโกภวะ อภิวาทานาซีเด ส, สานิจจังวุทธาปชาญโนชาตารูธรรมาวัฒนียุวันโนสุขังพระลังอาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านรักขันดุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสับาปาบุทานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพารธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรมรมสัพสังขานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระทรง สถาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเถิด